อีกแล้วน้องแก้วคงล้มคอยพี่เคยสัญญ า, าว่าจะกลับไปหาคนดีทองน้องพี่คงจะรลุ้มลมหนาวพัดมาอีโคน้นาก็มุนหัวใจกู Um, I'm n o m มาอีกแลน้องแก้วงลมคอยมยกน้องมาสร้างวยาดกัว สวัสดีมิรักษ์แฝงรายการสภากาแฟท้องถิ่นทุกท่านก็ เ, เป็นประจําทุกวันจันทร์เวลา4ีาม่มงเย็นถึงห้าโมงเย็นรายการสภากาแฟท้องถิ่นก็กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนําเรื่องราวข่าวสาราต่างๆการาบ้านการเมืองการศึกษามาพบปะกับท่านผู้ฟังรายการเป็นประจําก็ถือว่าเป็นหน้าท<ๆ>ี<ๆ>่ของเราชาวสถาบันพระบกเกล่าที่ได้นําเสียงต่าง มาบอกเล่าพี่นักประชาชนโดยการเมืองภาคบนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำสําหรับวันนี้รายการเราครั้งก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเรียกว่าเปิดปีใหม่ซึ่งก็หยุดไปนานก็ครั้งที่แล้วมาคุยเกี่ยวเรื่องธรรมิบาลได้ไ ป, ไ ป, ไปเป็นหนึ่งประเด็นก็คุยกับท่านอาจารย์สมยงแต่วันนี้ <c oughs> ก็คงจะมาคุยเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหน การศึกษาคณะสงฆ์นี้มีผลผลผลดีและผลเสียอย่างไรที่จะเกิดขึ้นให้กับสังคมไทยเราซึ่งตรงนี้จะเป็นประเด็นที่เราจะคุยเรื่องการศาึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาธรรมะบาลีหรือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอ ว, อวิชาเกี่ยวเรื่องสามัญศึกษาที่เราจัดใ น, ในหลายที่ทั่วประเทศไทยซิ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันว่าอิฟ ที่น้องประชาชนได้ประโยชน์ไหมได้แล้วเป็นยังไงครับนี่ประเด็นนี้ก็อยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าเราจะมาคุยกันโดยเฉพาะวันนี้เร า, าผมอาจารย์ชมพูอิสริวัตรก็มากับท่านอาจารย์นิรันต์กุลนธา น, านันซึ่งท่านเป็นผู้ผู้ริเริ่มในโครงการนี้ที่จะให้เราได้มาคุยกับพี่น้องประชาชนสว่วนใหญท่านก็เป็นเกียรติมาเป็นเกียรติในการรายการนี้ก็สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชมพูครับครับผม ก็วันนี้เราคงได้มาพูดมาคุยกันใ น, ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของของการศึกษาของทางสงนะครับ<ม>เพราะว่าก็มีคุณอุปการมากนะครับของเรานมีการที่ในส่วนของการศึกษาของสงนี่รองรับลูกหลานคนยากคนจนนะครับที่ได้โอกาสนะครับก็บางครั้งเข้าสู่ระบบะการศึกษาทางตรงไม่ได้ก็อาจจะมา บวชเรียนนะครับเหมือนกับในอดีตนะท่านชมพูลองเล่าสิครับว่าท่านชมพูมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับครับตรงนี้คือเป็นประเด็นสำคัญครับท่านอาจารย์นิรันด์เนื่องมาจากว่าลูกหลานของพี่น้องประชาชนถ้าว่าไปแล้วเนี่ยแต่ละปีเป็นเป็นเป็นแสนเป็นแสนรูปเป็นแสนรูปเป็นแสนรูปที่เข้าเมืองศาลทำไมเข้าเมืงศาครับก็เนื่องมาจากว่าทางครอบครัวก็ไม่มีไม่มีเงินไม่มีปัจจัยที่จะส่งลูกหลานไปเรียนไปเรียนทาง ทางโลกทางเรียนทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลว่าเรียนฟรีจนถึงนั่นนี่นู่นแต่จริงๆอ่ะไปแล้วก็เสียหมดเลยครั บ, รบไม่ไม่มีที่ไหนไม่เสียอยากจะยกตัวอย่างใ ห, ให้ให้ท่านอาจารย์นิรันต์ทราบว่าเอาอย่างที่โรงเรียนรัฐโรงเรียนอะไรแต่เข้าแต่ละทีต้า่โรงเรียนดังๆเนี่ยต้องเสียตังค์ค่าแปะเทะ่ยสี่ห้าหมื่นก็ว่าไปซึ่งมันเป็นเป็นระบบอะไรผมก็ไม่ทราบรัฐก็บอกว่าฟรีฟีแต่เวลาเรียนไม่ไม่ฟรีครับทั้งหนังสือก็ต้องซื้ออะไรก็ต้องซื้อ ซึ่งผมยังยังไม่เห็นโรงเรียนไหนที่ฟรีอันนี้คือเป็นประเด็นดังนั้นลูกหลานที่เอาเอาตัวอย่างที่ผมเปิดที่บ้านเนาะครับหรือที่บุรีรัมย์ก็มีวัดกลางมีวัดอีสานที่วัดกลางบุรีรัมย์นี่ก็โรงเรียนพระบุญาตของวัดกลางพระลามนนก็เปิดผมเปิดปี36ซึ่งตอนนั้นลูกหลานก็จบจบมาปสี่ปหปหไม่รู้จะไปไหนโดยสมาร์ทก็ไปไปกรุงเทพ แต่พอผมเปิดโรงเรียนพระบุทญาติธรรมสายสามัญเนี่ยปีแรกปี36มีนักศึกษาหรือนักเรียนพระเ น, น60รูปครูปเรียนจนถึงปัจจุบันนี่บางท่านก็จบปตีปโทปเ อ, อกมีแล้วโอ้ก็แสดงว่าเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ในส่วนของลูกหลานคนยากคนจนในได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีค่าแป๊เจี๊ยะไม่มีไเป็นโรงเรียนของทางทางวัดเนี่ยนะครับครับผม <นะ S 2> คือ เรื่องพระเนนเข้ามาฟรีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าจีวรเสาบง่งต่างทางวัดก็ดูแลทุกอย่างเรื่องอาหารขบฉันทางวัดก็ได้จัดมูลนิธิเตรียมไว้ถ้าไม่มีอาหารเราก็มีทุนิธิเพื่อจะเอามาดูแลพระเนนครั บ, บซึ่งซึ่ ง, ง, งท่านเจ้าวาดหรือทีมบริหารของของคณะสงฆ์นี่เขาก็จะดูแลอย่างดีส่วนหนังสือหนังหาเราก็รับบริจาคจากชาวบ้านซึ่งพี่น้องประชาชนพอพูดว่าโอ้อยากได้อยากได้หนังสือบาลีร้อยชุดอยากได้หนังสือธรรมะร้อยชุด ก็จะมีกนละจากคนลชุด2ชุด3ชุดอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้มีหน้าที่เรียนอย่างเดียวถ้าเกิดว่าลูกหลานใครเข้ามาแล้วตั้งใจที่จะเรียนจริงๆจังจัก็เป็นเรียกว่าท่านท่านอาจารย์ครับตอนนี้ถ้านับพระตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่เปิดสมัยสามัญมาเนี่ตอนนี้พระคุณเจ้าทั้งเรียนบาลีด้วยสามัญด้วยนี่ไปอยู่แทบทุกมหาวิทยาลัยเป็นคุณุปการแก่ทั้งทางโลกและทางธรรมครับก็คือเออ ที่เด็กเยาวชนนะครับถ้าเป็นคนยากคนจนนะครับมาเล่าเรียนบวชเรียนทางทางสงฆ์เนี่ยก็นอกจากว่าเป็นโอกาสในการที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับทั้งสายธรรมสายโลกด้วยนะครั บ, รบแล้วก็ที่สําคัญก็ยังกล่อมเกล่านะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีใจิตใจดีงามคือจะไม่ดื้อนะครับผมก็ถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ก็จะอาจจะมีปัญหานักเรียนตีกันแต่ว่าในในโรงเรียนของทางทางวัดนี่จะจะดีนะ ครับผมรมดีนะก็จะเป็นอย่างครับถ้าถ้าเป็นที่มหาจุฬาที่ทุกๆแห่งที่ที่เรียนนะครับท่านที่ผมเรียนอยู่เนี่ยพอทุกปีตั้งแต่เริ่มปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่สี่ปีนี้ครับท่านอาจารย์ครับพอปิดช่วงปิดเทอมเนี่ยจะมีเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเจ็ดคืนซึ่งต้องไปนั่งสมาธิกรรมฐานเดิงจงกรมโดยโดยผู้นาเช่นเป็นเลขาธิการบดีมหาวิทยาลัยครับ เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ทีมงานของคณะาจารย์ที่ดูแลตรงเนี้เขาก็จะไปร่วมกันจัดกิจกรรมย้ายไปปีนี้ไปอำเภอนี้ป็นี้ไปสมุติโคราชปีแรกๆไปอำเภอจั ก, กราตร์รปีต่อมาก็ไปอำเภออำเภอปักทงชัยไปอำเภอปักช่องซึ่งหมุนเวียนกันดูแลก็มีญาติโยมพี่น้องก็มาดูแลกันทั่วทั่วหน้าทั่วตาแต่ที่สำคัญคือพระสงฆ์มีหน้าที่คือฝึกจิตฝึกความอดทนฝึกสมาธิ ฝึกความเสียสละตรงนี้เมื่อเมื่อหลังจากที่พระคุณเจ้าบางท่านท่านไม่อยากออกมาสู่คาววดท่านก็อยู่เป็นคุนการแขกคณะสงฆ์ส่วนผู้ทศึกษาได้ขัดเกามาแล้วมาอยู่ในสังคมนอกสา ม, มารถที่จะดูแลตัวเองและก็เรียกว่าเป็นจิตอาสาของสังคมบุคคลบุคคลหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่ที่เราได้เราได้เห็นมาตลอดครับก็ก็จริงๆแล้วในส่วนของของการศึกษาของทางทางสงฆ์นี่ก เป็นเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งก็ที่ที่จะเสริมเพาะว่าบุตรหลานได้ได้มาเข้าสู่การเรียนนะถ้าเป็นเรียนทางสายสามัญเสร็จแล้วนี่ก็ยังได้ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ทางพุทธศาสนาครับผมถึงแม้ว่าพอเล่าเรียนไประดับหนึ่งอาจจะมีการศึกกลาศิกขาไปนี่ก็จะไปเป็นคนดีในสังคมก็ถือว่าเกิดประโยชน์ได้เหมือนกันเพราะจริงจริงนี่ มหาวิเลยสงของเราเนี่ยมีมีกี่แห่งครับแล้วก็ไปเรียนศึกษาเราเรียนยังไงครับตอนนี้คือมีมหาวิเลายแม่อยู่ที่กรุงเทพครับตัวนี้อยู่ที่วังน้อยยา้ายมาวังน้อยเพราะว่าวแต่ก่อนมันอยู่วัดมหาธาตุมันแคบครับทางท่านอาธิการบดีท่านก็ขยายมาที่วังน้อยซึ่งมีโยมถวายที่หลายร้อยไร่ตรงนั้น สวนวิยาเขตตอนนี้มีอยู่ของมหาจุฬานี่มีสิบสองที่ทั่ประเทศแล้วในมหาจุฬาเฉพานี้ชฉาะประเทศไทยนะครับทานรับพอมามี12ที่ทุกที่นี่คือสมบูรณ์หมดมีมีเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์กรสามีห้องสมุดไม่ไดครบตามหลักสูตรที่เขาให้มาเขเปิดเป็นศูนย์เป็นมหาจุฬานี่ก็คือมจรนี่คือมหาชวลังกรนราชวิเชียรัยเป็นเป็น มหาวิไลสงในในสายของมานิการานิการครับแต่ว่าในส่วนของมหามังกรนี่มีมีที่ไหนครับมหามังกรก็ผมผมไม่มั่นใจแต่ก็มีเยอะเหมือนกันครับมีมหามังกรมีมหามังกรก็มีสาครับมีมีสาขาก็หลายแห่งเหมือนกันมีพิษเคตหลายแห่งหลายแห่งเหมือนกันเกือบกับเกือบทุกจังหวัดก็ทั้งทั้งมหาวิไลทั้งสองแห่งก็จะเป็นคนที่จะผลิตบุคลากรใช่ครับผีที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วนอกจาก ที่สำเร็จตรงนี้แล้วก็อาจจะไปศึกษาต่ อ, อยังยังต่างประเทศนะยังยังเช่นที่ อ, อินเดียที่สิคสงค์กาที่ที่ประเทศอื่นๆ น, นะครับเนี่ยนะนะก็ก็สามารถที่ทาได้ครับวันวันเมื่อ ว, วันเสาร์ที่ผ่านมาที่ผมไปที่มหาวิทยาลายัยพะเยาโรงพยาบาลราชวิทยา ล, รราาลายัยเวียดเคนครองสิมาเนี่ยท่านเจ้าคุณพรมพรหมมจริยาท่านเจ้าคุณอ่ะท่านท่านเอกการบดีท่านก็บอกว่า ตอนนี้มหาจุฬาไม่ใช่อยู่เฉพาะในประเทศไทยอ๋อครับครับขยายไปยุโรปตอนนี้ทางยุโรปก็ยอมรับมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราวิทยาลัยแล้วอ๋อครับนี่คือเท บ, บยุโรปก็มีมีสาขาหลายสาขาครับผมซึ่งวันนั้นผมก็ฟังท่านและผมบันทึกไม่ทันซึ่งวันนั้นท่านท่านาท่านมาแสดงปาตกปรปาตกรถาได้ดีมากซึ่งฟังแล้วก็ทําให้เรารูส้สนว่าเออตอนนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่ไม่ใช่เฉพาะมีสาขาเฉพาะในประเทศไทยเรามีไปถึงต่างประเทศครับผมนี่คือความสําเร็จของการศึกษาคณะสงฆ์ทั้งมหาจุฬาทั้งมหาบกุฏซึ่งก็เรียกว่าขับเคลื่อนไปในในในแนวเดียวกันครับครับก็ก็ก็คงจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนแล้วครับการการศึกษาของของพระสงฆ์นะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยหลักทั้งสองแห่งนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํำ ในเพื่อที่จะส่งเสริมให้ในส่วนของประเทศเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางของพุทศาสนาโลกนะครับก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมในประเด็นนี้นะครับเรามารับฟังเพลงก่อนแล้วก็จะมาพูดมาคุยกันต่อนะครับการมครับสองสองเพลงเพราะครับผม น้องสาบนลอยจากฟ้ามอนน้ำตาไหลาในใจของตายเป็นห่วงคนไกลพอมีข่าวคราวน้ำหลากน้องหานคูงปลาชวนกันพาลอยลงลงเปลาวดังใจผู้สาวที่ไปว่างว่าง บ่แมน่นผ้าแดงบ่มีมน์แต่งไปอ้อนไปว่าให้คนลืมเลาวคือทอดความลังยานผู้เขียวใบมอนไปหลงคำวอนของคนมีตยยังยานเขาเด็ดน้งไปใส่ต้มยามฟ้างามยามเล่งข้างลุงนองหา สีสกโอกส่งใจกับนกไปบอกคนงาเจ้าสีหน้านวลของไอ้ท่นบอลืมไหลหักแลลทถอยคำอยากให้กลับลำเกืนุง บ่น้องหรือปล่อยใอ้ไอ้เป็นบ้าเฝ้าเือหาผู้เดียวลองลองจากไกลเปลี่ยนใจมีสองเอารักไม่ครองแล้วบ่ดน้องฝันใจเอารักไม่คลองเสียแล้วบ่ดน้องผ่าน ไปสองเพลงเพลาๆกับจากมนแขนแก่นคุณก็ได้มามาลองให้ท่านฟังก็คงเป็นที่พอพใจกับพี่น้องประชาชนที่กําลังทําธุระในบ้านในทุ่งไร่ทุง่งนาก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยว่าท่านผู้ฟังรายการมิตรรักรายการทุกท่านที่ฟังรายการของเราเสมอมาก็ถือว่าท่านมีอะไรที่อยากจะาฝากมาถึงพี่น้องประชาชนลูกหลานบ้านเรา ก, ก็ฝากมาได้ทาง ทางวัดนี่ครับมาที่ทางวัดสําหรับวันนี้ซึ่งตอนแรกเราได้คุยเรื่องการศึกษาคณะสงฆ์ว่ามันเป็นไปอย่างไรก็มีเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนะครับแล้วก็จะมีการศึกษาของมหามากุณฑิตวิทยาลายัยซึ่งคณะสงฆ์ทั้งสองนีกายก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาเพราะทั้งสองมหาวิทยาลัยท่านท่านอาจารย์ครับครับครับมองว่าคนที่ไม่มีโอกาส น, นี่ถือว่าเป็นเป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องมาขับเคลื่อนมามาช่วยส่งเสริมมาช่วยช่วยการในการ เอาคนที่ไม่ไม่มีอะไรให้มันมีอะไรตรงนี้คือมีเจตนาร่วมกันในตรงนี้ดังนั้นเมื่อใครไม่มีโอกาสทางมหาจุฬาก็ไปเรียนมหาอุกุษซึ่งทั้งสองแห่งก็ก็รับทัทง้งทั้งทั้งพระมานิกายธรรมยุทธ์ก็เรียนได้เหมือนกันหมดไม่ ừ, ไม่ ừ, ไม่ตีกัน ก, นการการเรียนนี่มันมีสองสายมีสายสามัญกับบาลีใช่ไหมครับ ครับ <นะ S 1> ผมถ้าถ้าเป็นบาลีนี่เป็นไงฮะบาลีเนี่ยเห็นเป็นถึงปริญญาเก้าเนี่ยอ่าถ้าเป็นบาลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาของพระคุณเจ้าครับครับที่จะต้องก้าวไปสู่หลักธรรมระดับสูงตั้งแต่เรียนพระสูตรพระวิ น, นัยแล้วก็พระอวิธรรมอ๋อครับซึ่งการเรียนบาลีเนี่ยถามว่าหลายๆคนเรียนได้หมดทุกคนไหมเรียนไม่ได้หมดเพราะนึมาจากว่าบางคนเนี่ยพอแค่มาจับหนังสือก็ปวดหัวแล้ว ท่องเก่งบางคนเก่งมากแต่มาพูดถึงผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเรียนด้วยกันที่จุมพรมาพร้อมกันเลยครับพอมาเรียนภาษาบาลีมาท่องไวยากรณ์มาท่องปริโูปริสาปริสังอะไรประมาณนี้ท่านลองครับปราบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แต่หลักภาษามันต้องทำครับเพราะหลักภาษาคือมันต้องมีอุปสรรคปัจจัยมีรากศัพท์อะไรประมาณนี้ตามหลักภาษาทุกภาษาใช่ใช่ซึ่งภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษมันจะคล้ายกันมาก จะมีลากศัพท์จากมีลากศักด์ก็มีอุปสรรคมีปัจจัยซึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงจากความหมายเดิมให้เป็นอย่างอื่นบ้างจากความหมายเดิมคมเดิมบ้างจากความหมายเดิมให้ให้ตรงกันข้ามบ้างแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันแต่เขาไม่เชื่อแต่เขาไม่เชื่อเขาบอกไม่เชื่อก็เรียนไม่ได้เขาบอกเป็นไปไม่ได้อยู่ๆจะแปลงตัวนี้เอาโอเอาอากับสเป็นโอเอโอสีเป็นอาอะไรประมาณนี้เขาบอกเขาบอกไม่เชื่อมันก็เลยทําให้เขาแต่บางคนเก่งพอท่องกับบวดหัวซึ่งซึ่งมันทุกคนดังนั้นบาหลีครับท่านรอง บาลีเถ้าเกิดว่าใครเรียนได้นะมันจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าพราะเวลาสอบผิดแม้แต่ตัวเดียวก็ตกขนาสอนให้คนละเอียดออเป็นการรอบครอบมากรอบครอบถ้าถ้าเกิดว่าเขียนไปนี่ถ้ามันมีเ้าเรียกประโยคนะประโยคแต่ละประโยคประโยคมันก็เขียนไปถ้าเกิดว่าบาลีตกแค่สองประโยคก็สอบตกแล้วครับอไม่ได้ไม่ได้ผ่านไม่ได้คือ สอนใคนละเอียดในเรื่องการเขียนให้เรื่องการคิดครเรื่องกา ร, ร, รเวลาเวลาทําทุกอย่างต้องมีสติก็ง่ายคือสอนให้คนมีสิทธิในการทําทุกอย่างนี่คือการเรียนบัลีเพราะว่าผมเรียนมาตั้งแต่ไวยากรณ์รประโยคหนึ่งสองประโยค3ประโยค4ี่ทุกครั้งที่ที่ที่ที่แปลเนี่ยถ้าประโยคหนึ่งสองมัแปลก่อนสอบ20่บรอบโอ้โหต้องมาซ้อมก่อนใช่ไหมคือแปลจบแล้วมาเริ่มใหม่แปลจบแล้วมาเริ่มใหม่4ี่เรื่องหนึแปลยิรอบ แล้วก็แต่ก่อนมันเรียนสนุกเพราะว่ามีเนนมามาแข่งกันแข่งไปตั้งแต่สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นโอ้โหว่าใครได้กี่หน้ามีการ<อ>แข่งขันกันโอนั่นนั่นคือสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปทําให้หลายๆท่านก็ท้อใจเหมือนกันว่าเนนทุกวันนี้เป็นข้าเรียกเด็กเหมือนเด็กเหมือนเด็กข้างนอกท่านลองอเหมืพราะว่าพ่อแม่เอาใจครับครับครับพอพระพระอาจารย์หรือเจ้าวาดตำหนิตีติงก็โทรไปบอกพ่อแม่ มันจึงกลายเป็นเรื่องลำบา ก, กว่านั้นคุยกับท่านเจ้านําเภอที่ อ, อําเภอเจ้าเพือ่อนท่าเพื่นองกี่ท่านมาสอบพัฒน์เนี่แหละอสอบบาลีท่านก็บอกโอ้ท่านท่านเรียกผมพี่มหาอโอ้พี่มหาไม่ไ ม, ไม่ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนท่าวา่าอมันไม่เหมือนการเรียนแต่ก่อนบอกให้เรียนอะไรก็เรียนทุกวันนี้แม้แต่มแตม้ติบินบาดฉันก็ยังลําบากก็แสดงว่ายัางดืง้อดึงยังมีบ้างแต่ไม่ไ ม, ไม่ทุกคนท่านท่านก็บนบนบางท่านบบนบางท่านนี่คือคือประเด็นที่ เราได้ได้ทำกันมาว่าการเรียนบาลีนี่ถามว่ายากไหมถ้าตั้งใจครับท่านลองครับถ้าตั้งใจก็ก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่โดยส่วนมากเมื่อมาเรียนแล้วมันมีช่องทางอื่นมันทำให้เกิดความไม่ไม่ไม่ตั้งใจเกิดขึ้นก็ทำให้การเรียนนี้ก็พลาดไปแต่เขาก็มุ่งเมื่อพลาดบาลีเขาก็มามุ่งเรื่องสายสามัญมหนึ่งมสองมสมมสี่มห้ามหกครับก็เลยมาเพิ่มสายสามัญมาเพิ่มสายสามัญเพื่อจะให้มันเกิดความ ยั่งยืนในการทำยังไงให้ให้แต่ละปีนี่มีพระหรือเนรมาบวชเพื่อสืบต่ออายพุพระพุทธศาสนาให้ยาวไปเรื่อยๆซึ่งเป็ น, นก็นะ ก, ก, ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะครับครับือว่า<ม>ลูกหลานมาเรียนบาลีแล้วก็จะได้เรียนสายสามัญไปด้วยครับผมก็จะได้ไปเทียบมอต้นมอปลายครับเมื่อปี39ท่านท่า น, ท, านท่านลองครับผมไปเรียนมหิุราปี38 39ท่านเจ้าคุณนวนวัดบึงพระรามหลวงเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นนะ ท่านบอกว่าอูเนียนเนบเรียนบาลีน้อยทําไงจะมีเนนผมก็เสนอท่านว่าท่านเจ้าคุณเปิดสายซาแมนคู่ไปด้วยแล้วจะมีเนนมาเยอะอท่านก็บอกอาให้ได้วัดหลวงก่อนพอได้วัดหลวงปีสี่ท่านก็เปิดจนทุกวันนี้มีพระเนนประมาณ200 <อ>ก็ยังคงอยู่ก็เรียนบาลีเรียนสามันก็ควบคู่ไปก็มีออตอนนี้ก็เจ้าวาดก็ท่านเจ้าคุณวันชัยท่านก็เป็นรักษาการเจ้าหน้าที่จังหวัดซึ่งก็ขับเคลื่อนอยู่ก็ถือว่าสิ่งที่ทํามามันก็ยังยังก้าวต่อไปเรื่อย ลูกหลานที่ไม่มีที่เรียนไม่มีสถานศึกษาไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินอะไรก็มาเรียนที่วัดก็สามารถที่จะเข้าไปได้ตรงนี้เคืรถืกว่าเป็นหัวใจสําคัญของพระสงฆ์ที่ขับเคลื่อนมายาวนานก็แสดงว่าได้ได้ผลนะถ้าถ้าใช้เรื่องการศึกษาเนี่ยครับผมได้ผลครับถ้าเราเปิดทางทางสายสามัญด้ว ย, เ, ยเด็กก็จะเข้ามาบวชเรียนก็<ม>จะได้สายบาลีไปด้วยได้ด้วยครับได้นักธรรมด้วยครับท่านรองมีนักธรรมด้วยธรรมมีนักธรรมตีนักธงนักเพลง นักทำตีนักทำโนนักเตะเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับหลังเขาเรียกว่าหัวใจของของธรรมะที่สําคัญสำคัญเอามาให้เอามาให้ศึกษาเอามาให้พระเนนมาเรียนรู้ว่าอ๋อนักทำตีเรียนเรื่องนี้นักทำธนเรียนเรื่องนี้นักทำเอกเรียนเรื่องนี้คือสูงขึ้นไปเรื่อยๆผมได้ได้ทราบข่าวจากพระคุณเจ้าที่ไปเรียนไปเรียนปอตีที่ประเทศอินเดียคครรัับบเขาไปเรียนปอตีนี้เขาบอกว่าโอ้ เรียนนักทมนี่แหละโอ้นักทำล้วนๆเลยครับโอที่เขาเล่าผมฟังออกแต่มันเป็นภาษาอังกฤษโอ้คือนักทำตีนักโทรอีกรุ่นๆเลยอโอนเป็นหลักสูตรของเขาเป็นหลักสูตรของเขาครับซึ่งเขาไปเรียนว่าอาจารย์ทีเดียรที่เดีครับอันนี้ผมผมได้คุยกับเพื่อนที่เขาไปเรียนมาโอ้เขาก็เลยบอกว่ามันมันง่ายเพราะว่าหนึ่งเขาาได้รู้ภาษาภาษาอังกฤษแล้วเวลาไปเรียนที่เขเปิดที่เอ้า อันนี้เราเรียนมาแล้วนี่นะอันนี้เราเรียนมาแล้ว ม, มันก็ทําให้เกิดควา ม, มความเชี่ยวชาญเกิดขึ้น<อ>สามารถที่จะแตกฉานในหัวข้อหัวข้อทํานั้นได้ครับ อ, อันนี้คือประเด็นสําคัญที่ทาไมพระจึงเปิดโรงเรียนปิยธรรมสามัญทําไมพระจึงเปิดบาลีทําไมพระจึงเรียนทัแต่ก่อเรียนทั้งทำเฉยๆมามีบาลีขยายแต่ก่อนมีไม่กี่มหาไม่ไม่ไม่ไม่กี่วัดครับตอนนี้เขาขยายไปไปเกือบทุกแห่งเพราะอะไร เพราะทุกคนอยากสืบต่ออายุพุทธศาสนาให้ยาวไปแล้วก็คือเป้าหมายก็คือตรงนั้น ค, คือเป็น<ม>การพัฒนาเป็นสืบทอดอายุของพุทธศาสนาครก็ผมว่าไม่ต่างกันกันกบทางทางโลกกท็ทลองเวลาลูกหลานไปเรียนจบได้ด็อกเตอร์ได้แรงนะ ค, คนที่ส่งก็มีความสุขอ้าวอย่างผมเนี่ยพอเขาบอกว่าอาจารย์ยิ่พูดจบโทรมาแล้วมาที่วัดทุกคนก็มีความสุขว่านั่นคือผลงานของเขาโอายินดีเพราะว่าเขาได้ ใส่บาตทุกวันให้กินอแล้วเขาเขมีความสุขว่านี่คือผลผลิตของเขาเขามีความสุขครับเมื่อเขามีความสุขเราซึ่งเป็นเป็นคนที่ได้รับอุปถัมภ์จากชาวบ้านเราก็ทําดีให้แก่สังคมซึ่งเป็นการตอบแทนสังคมเป็นการตอบแทนชุมชนชุมชนเขาที่ได้เลี้ยงดูครับในใส่บาตเราได้มาส่งเสริมให้เราได้รับการศึกษาครับชีวิตชีวิตผมสิบเจปีก็คืออาศัยข้าวชาวบ้านทั้งหมดอซึ่งก็ระลึกเสมอว่าเราต้องตอบแทนเราต้องตอบแทน ที่น้องประชาชนต้องตอบแทนชุมชนอย่างนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีการสืบทอดต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าแต่ละวัดเนี่ยนะครับในในพื้นที่ถ้าพร้อมถ้ามีการเปิดสอนโรงเรียนนะครับนะขึ้นมาได้ก็จะเป็นสิ่งดีๆสอนสายสามัญควบคู่กับบาลีไปเลยนะครับครับผมอันนี้คือเป็นเป็นส่วนที่หลายๆวัดก็ขับเคลื่อนอยู่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขาดตรงนี้ไป เหมือนกับว่าหลักในการที่จะดำรงอยู่ของพระสงฆ์มันจะน้อยลงแต่มันก็มีบางส่วนที่เป็นสายปฏิบัติอย่างที่ผมก็อยากเล่าให้ท่านท่านลองฟังว่าผมไปกราบอาจารย์สมภพครับมีความสุขสมากครับเพราะว่าท่านเป็นสายปฏิบัติท่านก็ยึดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาจากการอ่านพระไตรปิฎ ก, ม า, กมาแล้วก็มาเล่าพระญาติโยมฟังเอาการเอาหลักปฏิบัตทิที่ท่านปฏิบัติมาเห็น แล้วได้เข้าใจมาเล่าญาติโยมฟังเมื่อยาดโยมฟังแล้วมันมันเหมือนกับว่าทําให้มันง่ายขึ้นครับจากที่เขาเรียกอะไรนะกลาที่คว่ำอยู่มาหงายให้ประชาชนได้มองโอ้นี่มันไม่ยากนี่นะนั่งสมาธิไม่ได้ยากเป็นการมามาสอนธรรมะง่ายๆให้กับประชาชนครับผมที่ท่านอาจารย์ชมพูพูดนี่ก็คือพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะครั บ, รบที่ที่อำเภอคําตะกล้าสกลนครนะครับนะซึ่งเป็น อ่าพระสุติปันโนนะครับที่เป็นอริยสงฆ์ของของอีสานนี่แหละครับท่านท่านท่านท่านเป็นผู้ที่เป็นพระนักปฏิบัตินะครับแล้วก็สั่งสอนลูกศิษย์มาทั้งทั้งสองฝั่งแล้วครับทั้งไทยทั้งสปปลาวครับทั้งหมดแล้วครับได้ไปด้ไปเห็นไปกราบท่านมาแล้วใช่ไหมครับไปกราบท่านกับอาจารย์วิศมาร์ตอาจารย์สมยงไป3าครั้งครับท่านลองเพราะว่าความตั้งใจว่าอยากไปเห็นเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักท่านแต่รู้จักทางฟัง ฟังธรรมะทาง y o ยูทูบฟังมาแล้วฟังมารู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าวิธีการสอนวิธีการบอกเล่าลึกซึ้งลึกซึ้งแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นอริยสง์สารอีสานจริงๆริงแล้วพอได้ไปแล้วได้กลับมันรู้สึกว่ามันพิติมีความสุขค ร, ค, รครับผมว่า น, นี่คือเป็นสิ่งที่ที่สําคัญที่ได้ได้ไปกลับท่านก็ถือว่าพระคือส่วน ส่วนที่จัดการศึกษาก็จัดไปส่วนที่ปฏิบัติก็ก็ปฏิบัติไปก็ถือว่าไม่ได้ไปสร้างไม่ได้สร้างความเร็วล้อแก่สังคมอก็ดีครับอย่างนี้แหละมันต้องต้องทำทั้งสองสายแล้ครับทั้งทั้งทั้งสายที่ทางด้านศึกษาเราเรียนแล้วก็สายปฏิบัติครับคู่กันไปมารยัดปฏิบัตินะครับมารับฟังเพลงแล้วก็จะมาพูดาคุยครับครับในช่วงอีกช่วงหนึ่งก็เดี๋ยวเราเราฟังเพลงสักสองเพลงแล้วก็มาคุยตอนท้ายว่าเราจะขับเครื่องยงต์ให้ ให้พี่น้องประชาชนเลยว่าพระสงฆ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็นครับ วันนี้คุณสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่องแฝดทีวีไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็เพล y เถิดลาอู้เพนเลียงห่อมาอู้บนผ่านนองใหญ่โอ้ยคนที่เพิ่นขาดไว้เป็นเคยนั่นบ่เม่นช้ความที่อายฮักนอง ก, ก็อยู่น้อเต็มใจแต่ก็หมดความหมายพอแม่นนั้น เพิ่งสร้างไทยเหลือใจหลายเดล่าเพราะอายเป็นชาวนาคนหา ก, กินเศร้าคำบ่มีแนวอวดโอ้เคียมทานทันผู้มีโอ้ แต่งกับเขาเถิดน้องผู้พรองที่สมกัน ท่านคงหมายมั่นอยากให้ลูกนั้นได้นดีพี่อยู่อย่แก่ใจว่าพี่ไม่คูกคัวน้อน คุณ น, นายเล็บแดงหัาใจมันดังคอยแกล้งที่แสดงทําได้ดวงใจไปเถิดลางตามใจมน นอเขียนจะคงแสนเศร้าเจ้าไม่ทนเขียนแล้วควรควรหาเจา้าเศร้าทุทนเกิดมาจนคนต่ำถอยโน้ยใจจริงเขียนจดหมายปลายน้ำตาลานอล้องแก้วที่ซึ้งแล้วคำรมรัก อยากใจยิง่งมีแฟนใหม่จดไมายเก่าเจ้าชีหิ้งลืมทุกฟูแฟนเก่า เ, าเขามาจดหมายเก่าเขานายทิพายแล้วขอให้น้องแก่สมรักสั่งปลาธนา ไปจินให้ทาไปล้ำคล้องใหม่จนไร้ราคาสิ้นสาวกลับมาที่ยังรอท่าจากค้องเลเงดืด็นตกดึกสึกรองนั่งมองท่าภายเจ้ายิ้มพี่นอนร้องให้ตุ่มใจแส่นจะลําทิ็น จดหมายท้ายสุดไว้พ่อในนุดเจ้าจง อ, อยู่เย็นคำฝากอยากทายเลื้อเดนอย่าให้เขาเห็นเจ้าเป็น สินสาว t กลับมาที่ยังรอท่าสาตขท้องเลือเดนตกตึกต้องนั่งมองทา่าทายเจ้ายิ้มพี่นอนร้องไห้คุมใจแท่นจะลำเช็นจดหมายท้ายสุดหวยคนให้นุดเจ้าจงอยู่เยน็นคำฝากจยากทายเลือเ้อนอย่าให้เขาเห็นเจ้าเป็น ครับผมช่วงสุดท้ายของรายการก็หลังจากที่เราคุยเรื่องระบบการศึกษาของคณะสง์เรื่องการเรียนธรรมะเรียนบาลีและการเรียนสายสามัญจนถึงเรียนระดับปริญญาของ ค, คณะสง์ที่เรียนมหาวิทยาลัยมหิด ล, ลงกรราชวิทยาลัยรหรือรมหมามกุฎราชวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของคณะสง์ซึ่งยาวนานมีทุกจังหวัดที่มีคณะสงอยู่ทุกจังหวัดที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อจะให้ สังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็นขัดเกลาจิตใจของพระเมนออกมาเป็นคราวาสญาติโยมที่เข้ามาวัดเข้าว่าก็เป็นการช่วยกันจะลงเรื่องพระพุทธศาสนาอันส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญในช่วงท้ายท่านท่านอาจารย์นิรันมีอะไรที่จะฝากพี่น้องประชาชนคุยเรื่องที่มันจะทําให้มีความสุขกับพี่น้องประชาชนดูนครับ ค, คือเราเราจะทํำยังไงที่ท่านที่อาจารย์ชมภูบอกว่ามันมีการเรียน สายสามันแล้วก็เรียนบาลีใช่ไ้มครั บ, รบในในพุทธศาสนาในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีสายพ่านักปฏิบัติอย่างพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเนี่ยนะท่านก็เน้นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมะนะฮนะเพราะฉะนั้นนี่เรามีการจะมีการเสนอเนี่ยจะมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางหลักสูต ร, รอะไรไ ม, ม่ที่จะทำให้ พระเนรเนี่นะครับได้ได้เข้าถึงธรรมะได้มากขึ้นจย์ชมพูครับครับผมถ้าถ้าในมุมมองผมนะครับถ้าเกิดว่าในในปัจจุบันนะครับท่านท่านท่านองครับครับครับก็ผมมองว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีการปรับหลักสูตรให้ให้มันเป็นกระบวนการที่ว่าเพิ่มเพิ่มหลักปฏิบัติธรรมให้มาจาก อาจจะเป็นแค่2หน่วยกิจซ้ำกันมาเป็น45่หน่วยกิจหรือ10หน่วยกิจเพื่อจะให้มีภาคปฏิบัติให้มากขึ้นเหมือนว่าเทอมหนึงอาจจะมี 4- ีหครั้งประมาณสัก1เทอมมี1ครั้ง2เทอมมี1ครั้ง1ครั้งก็ประมาณสัก10วันประมาณนี้เพื่อจะให้บรรจุหลักสูตรการปฏิบัติให้ลงไปแล้วก็ถามว่าเราจะเอาแนวไหนล่ะที่จะมาในการฝึกปฏิบัติผมก็เชื่อว่า ถ้าเท่าที่ผมฟังจากหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อสมภพรรหรือท่านอาจารย์ท่านหลวงพ่อกิติวุฑโธแล้วก็เท่าท่านเจ้าคุณประยุทธ์สมเด็จพุทธโคศาาจารย์นะครั บ, รบท่านก็ให้นําหลักไม่ต้องเอาหลักใครเอาหลักคําสอนพระเจ้าในพระธรรมปิฎกมาพูดกันเลยเช่นเมื่อพูดถึงอานาปนสตนิี่การทํำยังไงให้ใ ห, ให้จิตมีสติผูกไว้ที่ลมหายใจ โดยใช้หลักตรงนี้มามาม า, มาฝึกโดยไม่ต้องว่านี่คืออาจารย์คนนั้นนั่นคืออาจารนี้เอานี้บรรจุเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดให้เกิดการเสพบ่อยเสพบ่อยมันก็ทำให้เกิดการขัดเกลื่อนใจได้ได้อย่างดีสรุปแล้วคือการผสมผสานนั่นแหละครั บ, รบเอ า, าทาัา้ทงด้านบาลีมาผสมกับทางด้านปฏิบัติครั บ, รบให้ให้เรียนควบคู่กันไปแล้วก็จะได้จะได้จะได้เก่งก็คือเป็นการฝึก นะครับเรียนแล้วมาปฏิบัติมาปฏิบัตินในตัวยกตัวอย่างตอนนี้คื อ, อเรียน ท, นท่านท่านท่านอาจารย์นิรันดร์ทราบว่า ต, ตอนนี้ทางโรงเรียนอาชีวะก็ดีกเกษตรก็ดีวิวิไลกเกษตรก็ดีวิลาอาชีวะก็ดีซึ่งผมได้คุยกับหลายท่านก็บอกว่าถ้าเป็นเรียนเรื่องถ้านักศึกษาเขาเรียนเกี่ยวเรื่องต้นไม้เรื่องเรื่องพืชเรื่องต่างๆ เรียนอยู่ที่นี่สปีครับแล้วไปเรียนญี่ปุ่น2ปีซึ่งเป็นบริษัทที่เขาไปเอมไว้เป็นการเขาเรียกว่าเรียนแบบสหกิจสหกิจผสมผสานกันไปแต่ว่าถ้าดูทางทางพระนี่ระดับปริญญาหน1ถึงปริญญาเก้าเนี่ยจะแบ่งช่วงยังไงอาจารย์ชมพู่ที่มาเรียนทางด้านธรรมะเนี่ยถ้าถ้าเป็นปัจจุบันนะท่านลองธรรมจวงคือประโยคหนึ่งสองเขาก็เรียนธรรมบทครับประโยค3ก็เรียนธรรมบทปะโยคสี่ก็เรียนเรียนมงคลสูตรครับครับ ประโยค5ก็มาเพิ่มเรียนมงคลสูตรอยู่พ่อ6ก็เรียนไปถึงอัตคตาดีจาประโยคเจประโยค8พอประโยค9เรียนอภิธรรมซึ่งมันเป็นขั้นตอนมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนของของของเขคือหมายว่าในอัตคตาดีจารเอาความหมายของธรรมะในพระไตรปิฎกมาอธิบายให้ฟังว่าข้อนี้มันคืออะไรข้อนี้คืออะไรเหมือนกับว่าเอายากๆมาอธิบายให้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราเราจะปรับเพื่อที่จะให้ คนที่เรียนทางด้านบาลีเนี่ยนะครับเก่งทางปฏิบัติ ด, ด้วยนะครับนะแบ่งเป็นช่วงๆนี่ถ้าจะปรับยังไงถ้า<ะ>เป็นผมนะในความคิดผมก็หมายว่านี่คือเป็นเป็นความคิดตัวเองเป็นแนวคิดหนึ่งแนวคิดห น, ง น, ดหนึงก็หมายว่าถ้าเกิดว่าอยากให้พระคุณเจ้าทุกองที่เรียนไม่ได้ประโยค9ครับแต่ว่าเรียนเรียนสายบาลีที่มันมันได้เข้าถึงพระธรรมจริงๆเนี่ยก็คือ1นสองเรียนธรรมบทสามสี่ 3, 4, เรียนพระสูตรครับ 6 4สห้าเรียนเรียนพระสูตรใช่หกเจเรียนพระวินัยแปดเก้เรียนพิธรรมซึ่งจะได้เรียนทุกเขาเรียกว่าทุกคําของคำภีพระไตรปิฎกอ๋ออย่างนั้นก็จะจะทําให้แตกฉนลึกซึ้งแตกฉันเมื่อเรียนเสร็จอย่างที่ผมบอกในช่วงที่เทอมหนึ่งพอเรียนจบเทอมไปปฏิบัติคเอาเอาที่สอนไปเนี่ยที่อาจารย์ที่สอนด้านด้านธรรมะนี่ไปปฏิบัติว่าข้อนี้เป็นยังไงพอมาเรียนปี4ี่ห้าพสูตร ก็ไปเสร็จก็ไปให้ทุกคนไปนั่งเล่าปฏิบัติแล้วเล่าให้ให้เห็นว่าแต่ละพระอริยสาวกแต่ละองค์เนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไ ร, รแล้วเราลองไป บ, บติ ด, ดูก็จะให้เกิดได้ซึมซับตามหลักถ้าถ้าปฏิบัติได้มันก็จะมีการปรับปรุงได้ก็จะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าถ้าเราจะเห็นว่าถ้าถ้าที่ไปศึกษาหรือไปท่องกันอยู่ในในอินเดียเราจะเห็นว่าทางสาย อ่ามหาญาณอย่างพระธิเบตนี่จะเข้มข้นมากนะอาจารย์ชุมภูเเรียนเขาจนเข้มข้นกันเป็นสิบสิบปีนะเพื่อที่จะจนตั้งแต่จนถึงปีเอกครับเขาเรียนแล้วเขาปฏิบัติไปในตัวแล้วมีการถกครับมีการถกถกทำทุกวันนะครับผมมีการถกทําทุกวันก็จะมีหัวข้อประเด็นว่าเมื่อเรียนประเด็นเนี้ยสมมติว่าเรียนพระสูตรนี้ในประเด็นเรื่องเนี้ยไปนั่งถกกันครับถกจนจนแตกฉานในในข้ออัดข้อทํำนั่นซึ่งของเรายังไม่มีตรงนี้ในในเห็น ในสารคดีเราจะเห็นว่าท่านนี่จับคู่แล้วก็ถกใชธรรมะกันนะเข้มข้นนะคืออย่างนั้คือเขาเขาแตกฉานจริงๆแตกฉานตรงที่ว่ามามาถกกันถ้าเป็นภาษาภาษาเราเราก็มาโศกกันมานั่งมาม่นั่งโศกันใช่โศกันจนว่านี่นั่นโน่นนี่อจนจนให้เกิดความเข้าใจแตกฉานเสร็จแล้วถ้าขาดข้อไหนก็ไปหาอาจารย์ว่าตรงนี้มันคืออะไรช่ซึ่งอาจารย์เขาจะมี มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์จากคําสัมพระเจ้าว่าตรงนี้มันคืออะไรมันก็ทําให้แตกฉานขึ้นแต่ถ้าเรียนอย่างอย่างเราที่เรียนทุกวันนี้ถามว่าเพอร์เฟกไหมเพราะว่ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้ามีการปรับขึ้นอย่างที่ท่านท่านอาจารย์ว่ากาคือจะต้องมีการเสวนามีการแลกเปลี่ยนครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาทาั้งทางโลกทางธรรมแล้วเราเน้นให้เด็กเนีน่ยไปเน้นท่องจำมากกว่าครับผมเป็นนกแก้วนกขนทองเพราะว่ายั ง, ยงไม่ ยังไม่เน้นปฏิบัติไม่เน้น <ผม S 1> ถกเถียงมันต้องถกเถียงมันถึงจะเกิดสติปัญญาครับผมถูกต้องครับซึ่งผ ม, ผมที่ผมเรียนม า, ท, านท่านอาจารย์ครับที่ผมบอท่านอาจารย์ว่าผมท่อง20ผมแปล20รอบครับผมตอนนั้นที่ผมจําได้คือถ้าผมแปลจบไปรอบหนึงผมจะจําได้20วันอ๋อใช่ใช่แล้วผมมาแปลไปแปลไปจนถึงวันสอบผมกําหนดว่าก่อนสอบนี่ผมจะแปลภายใน20วันนี่ให้จบ นั่นงกลางจากนั้นมาออกตรงไหนผมทาได้หมดก็แสดงว่าต้องคือเน้นการท่องซ้ําแล้วซ้ำเล่าจะอย่ในสมองทําแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วคือถา ม, มว่าได้ไปแตกฐานลึกซึ้งจนอะไรไหมยังยังไม่ขันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าระบบมันมันไม่เอื้อถ้าอย่างที่ท่านอาจารย์นิรันต์บอกว่าทางทางทางทิเบตเขามาถกกันเอาหัวข้อที่เรียนมาแล้วมาถกกันนั่นแหละคือการแตกฉานจริงๆ นั่นคือสิ่งที่ที่สำคัญในการเรียนศาสนาครับผมเพราะเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วตรงนี้ต้องค่อยๆปรับนะครับนะผมปรับทางทางทางนี้ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คงจะต้องมีเรียนบาลีแล้วก็อาจจะต้องมีการให้ใ ห, ให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือนักศึกษาเนี่ยมาถกปัญหาธรรมกั น, นผมก็จะทําให้ลึกซึง้งนะครับนะพอพอเห็นเห็น ในในที่วัดแถวแถวแที่เบสอ่ะที่ท่านเห็นนะในอินเดียเนี่ยเขมีมีประเด็นตรงนี้อยู่เรื่องการปาทกเนี่ยทกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมนะเอาเรื่องธรรมะอย่างเดียวครับผมอันนี้คือเป็นส่วนที่สําคัญครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการสภากาแฟท้องถิ่นวันนี้ก็ดําเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอบคุณพระเดชพระคลวงพ่อพระครูประทุมธรรมนุรกที่อนุเคราะห์เวลาให้กับรายการสภากาแฟท้องถิ่นเป็น เป็นประจำเสมอมาก็เป็นบุญคุณอย่างยิ่งเป็นเมตตาอย่างยิ่งที่ได้ให้ทางรายการสักแฟท้องถิ่นมาออกรายการเพื่อจะบอกข่าวเล่าแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังสำหรับวันนี้ผมกับจนันนิรันก็คงจะลาพี่น้องประชา ช, ชนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับ น, นี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผูนาครับ